ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในบ่ายวันนี้นะคะที่พระเจ้าได้มีโอกาสมาแบ่งปันให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมนะคะก็ยังเป็นเดือนแห่งการระลึกสตรีนะคะแต่ละทย์ที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินเรื่องราวคเทศเป็นคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่นะคะหรือว่า สตรีที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะเรื่องของสตรีที่บันทึกในพระคัมภีร์นะคะล้วนแต่มีบทบาทที่สําคัญแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละบทเรียนนะคะก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นในพระธรรมอพยพนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยที่เราได้ฟังคําเทศนาไปนะคะก็คือนางโยเคเบตนะคะเป็นแม่ของใครคะ โยเคเบดเป็นแม่ของใครคะจำได้หรือเปล่าคนที่มาอาทิตย์ที่แล้วเป็นแม่ของโมเสสนะคะโยเคเบดเป็นแม่ของโมเสสนะคะโยเคเบดวางแผนทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตลูกลูกของตัวเองนะคะให้รอดชีวิตจากการสั่งฆ่าจากฟาโลนะคะแล้วเขาก็เอาลูกของเขาเนี่ยใส่ในตะกร้านะคะแล้วลอยน้ำไปคนที่ช่วย โมเสสขึ้นมานะคะก็คือที่ดาฟาโลนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็พี่สาวของโมเสสนะคะก็มาคุยกับพี่ดาฟาโลว่าจะให้ใครช่วยเลี้ยงดูดีนะคะ mm hmm. เขาก็ไปติดต่อไปคุยอะไรต่างๆจนแม่ของเขาเองนะคะที่มาเลี้ยงดูนะคะ mm hmm. ก็อันนี้คือแผนการทุกอย่างที่นางโยคเบดได้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ได้ช่วยเหลือลูกของเขานะคะและใน หซามูเอลนะคะก็คือนางฮันนานะคะนางฮันนาได้อธิษฐานทูลขอลูกจากพระเจ้านะคะและสุดท้ายแล้วในระ่างที่เขาอธิษฐานขอลูกจากพระเจ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสัญญากับพระเจ้าว่าถ้าเขาได้ลูกเขาก็จะถวายคืนให้กับพระเจ้านะคะสุดท้ายแล้วซามูเอลก็ได้ เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นในพระวิหารนะคะอันนี้ก็เป็นคําำวิฐานของนางฮันดาซึ่งเป็นแม่ของซามูเอลนะคะและในพระธรรมสองคงษ์นะคะเป็นหญิงชาวชูเนมค่ะหญิงชาวชูเนมนะคะเขาได้รับการอวยพรให้ได้ลูกนะคะจากเอลีชาซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะวันหนึ่งเนี่ยพอเขาได้รับการอวยพรจากพระเจ้าใช่ไหมคะให้มีลูกแต่วันหนึง่งลูกของเขากลับเสียชีวิตค่ะ แต่นางชาวหญิงชาวชูเนมคนนี้นะคะเขาก็ไม่ไม่ย่อท้อค่ะเขาก็ไปตามหาเอลิชานะคะอยู่อีกเมืองนึงซึ่งไกลมากเขาก็ตามหาจนเจอแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเอลิชานะคะและเ อ, เอลิชาก็มาช่วยให้ลูกของเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างของแม่ที่ดีนะคะที่เราจะเห็นในพระคัมภีร์นะคะยังมีแม่อีกหลายๆคนนะคะที่ได้เอาเป็นตัวอย่างตัวอย่างให้กับเรานะคะ ทั้งในพัมพีเดิมในพัมพีใหม่นะคะและเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของแม่เพิ่มเติมแต่ละคนนะคะสามารถที่จะกลับไปอ่านได้นะคะอยู่ในพัมพีเดิมนะคะพระว่าเจานะของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าจะนํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องในบ่ายวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องแม่เช่นกันนะคะ เป็นเรื่องแม่ที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ค่ะซึ่งปราเกิดอยู่ในพระธรรมสองที่โมทีบทที่1ข้อที่ 2-5 ถึงเมื่อสักครู่ที่ผู้นำได้อ่านไปข้าพเจ้าอยากจะขออ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงที่โมทีบุตรที่รักของเราขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุข จากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เช่นบรรพุทธของข้าพเจ้าขณะเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะได้พบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอีสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านนะคะก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้ามหาทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่อยู่จำเ พ, พาะพระักของพระองค์ได้มีโอกาสที่จะร้องเพลงสรรเสริญออกพนามของพระองค์และในเวลานี้จะได้ยินได้ฟังถึงพระวจนะของพระองค์ของจะทรงสถิตอยู่ท่ามกลางข้ามหายทุกคนและให้พระวรนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้จะเป็นที่แต่ต้องสัมผัสจิตใจและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปได้ขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เมื่อเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมตอนนี้ที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปเนาะเราจะพบว่ามีชื่อของผู้หญิงสองคนนะคะในถาวะแม่แล้วก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของลูกนั่นก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าโลอิสและยูนิสนะคะโลอิสมีความหมายว่าเป็นที่พอใจนะคะโลอิสมีความหมายว่าเป็นที่พอใจผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นแม่ของแม่ทิโมธีหรือที่เรียกง่ายๆว่า ยายนั่นเองนะคะเป็นยายของทิโมธีส่วนยูนิสนะคะมีความหมายว่าชัยชนะที่งดงามหรือผู้มีชยัยนะคะเธอคนนี้เป็นแม่ของทิโมธีค่ะตามปตามปกตินะคะถ้าเราอ่านพวจนะตอนนี้เนี่ยเราคงจะให้ความสําคัญกับทิโมธีมากกว่าใช่ไหมคะเราคงจะไม่ได้สนใจชื่อของผู้หญิงสองคนนี้มากสักเท่าไหร่นะคะแต่ผู้หญิงสองคนนี้นะคะเป็นเบื้องหลังและมีส่วนสําคัญอย่างมาก ต่อชีวิตของทิโมธีในการรับใช้พระเจ้านะคะจากชีวิตของโลอิสและยูนิสนะคะเรามาดูบทเรียนของผู้หญิงสองคนนี้นะคะที่ทำให้เราเห็นว่าการเป็นตัวอย่างของการเป็นตัวอย่างแม่ที่ดีนะคะเป็นยังไงะคะประการแรกนะคะโลอิสและยูนิสนะคะเป็นแม่ที่ส่งต่อความเชื่อนะคะเป็นแม่ที่ส่งต่อความเชื่อในข้อที่5นะคะได้บอกว่า ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้อยู่ในโลอีสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านนี่คือจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงทิโมธีนะคะโลอีสและยูนิสเป็นคนกลุ่มแรกๆนะคะที่กลับใจเป็นคริสเตียนกลับใจมาเป็นคริสเตียนนะคะโดยอาจจะ อาจจะกลับใจตอนเมื่อตอนเปาโลไปประกาศในเมืองลิสตานะคะเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่หนึ่งสองนะคะได้บอกว่าฝ่ายเปาโลไปยังเมืองเดอร์บี ก, กับเมืองลิสตาด้วยและนี่แนีที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาติยิวและเป็นสิทธิ์พระเยซูแต่บิดาเป็นชาติกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พี่น้อง ที่อยู่ในเมืองลิสตาและเมืองอีโคนิยเห็นไหมคะนี่คือเขาอาศัยอยู่ในเมืองลิสตาโลอิสและยูนิสนะคะได้กลับใจมาเป็นผู้เชื่อและได้นำทิโมธีนะคะมาถึงพระเจ้าด้วยเช่นกันพวกเขาได้ถ่ายทอดความเชื่อนะคะที่เข้มแข็งให้กับลูกของเขาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับทิโมธีนะคะผู้หญิงสองคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อแลวก็ ความเชื่อของเธอทั้งสองเนี่ยก็ฝั่งลากอยู่บนความเข้าใจในในพระวจนะของพระเจ้านะคะโลอิสไม่เคยที่จะหยุดยั้งสอนพระคำของพระเจ้าให้กับยูนิสซึ่งเป็นลูกสาวและเช่นเดียวกันนะคะยูนิสก็คงจะทําเหมือนกับแม่ของเขาก็คือส่งต่อความเชื่อของเขาให้กับทิโมธีนะคะส่งต่อความเชื่อ ของตัวเองให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆนะคะโลอสีส่งต่อความเชื่อให้กับยูนิธผู้เป็นลูกสาวยูนิธส่งต่อความเชื่อของตัวเองให้กับคนที่เป็นลูกชายนะคะนั่นก็คือทิโมธีและตัวของทิโมธีเองนะคะมีเครื่องเตือนความจําเกี่ยวกับความเชื่อติดตัวอยู่เสมอนั่นก็คือชื่อของเขานั่นเองนะคะเพราะชื่อทิโมธีมีความหมายว่า เกรงกลัวพระเจ้าะะทิโมธีแปลว่าเกรงกลัวพระเจ้านะคะการส่งต่อความเชื่อของยูนิสมาสู่ทิโมธีเนี่ยเป็นการส่งต่อส่งส่งต่อความเชื่อแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะเรารู้ดีเนาะแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะเราทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะไม่ควรที่จะดูถูกคุณค่าของการอบรมเลี้ยงดูลูกของเราหรือว่าเด็กๆที่ไม่ใช่เป็นลูกของเราก็ตามนะคะเด็กๆที่ เรารู้จักหรือว่าคนที่อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเราควรที่จะสอนเขาให้เขาที่จะได้รู้จักกับพระวจนะของพระเจ้าให okay. ้มากนะคะเพราะว่าการทําแบบนี้นะคะจะเป็นผลต่อชีวิตของเขาในอนาคตนะคะจะเป็นผลต่อชีวิตของเขาในอนาคตอย่างที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดคิดได้นะคะดูจากชีวิตของทิโมธีนะคะที่ยายและแม่ของเขาได้อบรมสั่งสอนให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าจนเขาเนี่ย ได้กลายมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเราทั้งหลายอยากให้ลูกของเราเป็นแบบนี้ไหมคะถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราเป็นแบบนี้ก็ให้เราที่จะส่งต่อความเชื่อหรืออาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกก็รู้เองไม่บอกลูกปล่อยให้ลูกทำตามใจของตัวเองทําอะไรก็ตามทำอะไรก็ปล่อยไปนะคะวันหน้าก็รู้เองไม่บอกก็ได้อย่าให้เราคิดแบบนั้นนะคะแต่ให้เราส่งต่อความเชื่อของเราที่มีในองค์พระเยซูคริส ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้กับลูกของเรานะคะรวมถึงเด็กๆทุกๆคนด้วยนะคะสอนเขานะคะให้ไปโบสถ์นะคะสอนเขาให้นมสัส ก, การพระเจ้าสอนเขาในเรื่องของการถวายในเรื่องของการทําพนักิจที่โบสถ์นะคะให้เข้ามาเรียนละวีหรือว่าส่งเขามาเรียนละวีที่โบสถ์ก็ได้นะคะเพราะว่าการเรียนละวีเป็นการปูพื้นฐานที่ดีที่สุดในการที่จะดําเนินชีวิตให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้านะคะหรืออาจ มีการอธิษฐานในบ้านนมามัสการพระเจ้าในบ้านด้วยกันตั้งเป็นานมามัสการพระเจ้าแล้วก็เฝ้าเดียวด้วยกันอธิษฐานด้วยกันเรามีแบบนี้ในบ้านของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่เป็นแบบอย่างโดยการกระทําของพ่อของแม่ของเราเองนะคะที่จะเป็นแบบอย่างก็คือการกระทําของเรานะคะเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเขา จะไม่ค่อยฟังค่ะแต่เขาจะดูนะคะเขาจะดูจากพฤติกรรมของพ่อของแม่ที่เป็นแบบอย่างให้กับเขาเมื่ออยู่ที่บ้านพ่อกับแม่เป็นยังไงเมื่อมาที่โบสถ์พ่อกับแม่เป็นยังไงหรืออยู่ที่ไหนพ่อกับแม่ได้ปฏิบัติกับเขายังไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้เรียนแบบมาจากที่บ้านทั้งหมดเลยนะคะคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่มีผลต่อชีวิตของเด็กๆมากนะคะถ้าปลูกฝังความเชื่อตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อเขาออกไปที่อื่นเขาก็จะยังมีความเชื่อ ในพระเจ้าแล้วก็จะยังติดตามพระเจ้าอยู่เสมอนะคะถ้าเราอยากจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต้องสร้างสภาพแวดล้อมฝ่ายจิตวิญญาณนะคะที่เข้มแข็งในบ้านเพื่อลูกเนี่ยจะได้เติบโตขึ้นทางฝ่ายวิญญาณไม่ต้องกลัวว่าเราจะยัดเยียดความเชื่อให้กับลูกหรือเปล่าอาจจะคิดว่าเป็นการยัดเยียดหรือเปล่าแต่พ่อแม่ที่ไม่ให้ความเชื่อกับลูกนั่นคือเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่านะคะถ้าเรา ให้ความเชื่อกับลูกผ่านทางการกระทําของเราเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอยากจะยกตัวอย่างข้าพเจ้าเองนะคะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เชียงรายนะคะข้าพเจ้าเป็นคนเชียงรายนะคะข้าพเจ้าก็มีโบสถ์เหมือนกั น, นะคะ่ะแล้วก็อยู่กับกลุ่มอนุชนด้วยกันนะคะกลุ่มอนุชนตอนนั้นเนี่ยเยอะมากนะคะเป็น10บสคนเลยนะคะแต่หลังจากที่ข้าพเจ้าเนี่ยเรียนจบมหก เราก็ออกไปเพื่อที่จะเรียนมาหาลัยใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันออกไปแต่แต่เมื่อออกไปแล้วเนี่ยจนล่าสุดนะคะที่ข้าพเจ้ า, าได้มีโอกาสมาทํางานที่กรุงเทพเพื่อนที่อยู่ที่บ้านด้วยกันนะคะเรียนละวีด้วยกันไปโบส์ด้วยกันถึงตอนเย็นมาก็มาเล่นด้วยกันเรียนพัมพีเรียนละวีทุกๆวันอาทิตย์นะคะนั่นคือเราทําด้วยกันแบบนี้มาตลอดจนมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้ า, ามาทํางานที่นี่นะคะเพื่อนๆที่จบด้วยกันที่บ้านเขา มาทำงานที่กรุงเทพเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ติดต่อบอกว่าตอนนี้อยากจะนมสัส ก, การพระเจ้าอยากจะมาโบสถ์อยากจะติดตามพระเจ้าเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่เราทำตอนที่เราอยู่ที่บ้านอันนี้คือเป็นความเชื่อตั้งแต่เด็กๆที่พ่อแม่ได้ส่งต่อความเชื่อให้กับเขาและที่โบสถ์ได้ปลูกฝังให้กับเขานะคะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวได้ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างนะคะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้าและเพื่อนๆ น, นะคะก็ คือข้าพเจ้าก็พาเพื่อนๆมาที่บทนี้กันหมดเลยนะคะตอนนี้ก็มานำวัสการที่นี่กันหมดเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่การปูพื้นฐานความเชื่อของเราที่บ้านนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเขาก็จะนําสิ่งเหล่านั้นนะคะติดตัวไปแล้วก็นั่นคือคืออย่างที่ข้าพเจ้าบอกไปคือเป็นผลในอนาคตนะคะเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามีลูกมีหลานนะคะให้เราที่จะปลูกฝังความเชื่อของเขาตั้งแต่ตอนนี้นะคะประการที่2นะคะก็คือโ East และยูนิส เป็นแม่ที่เป็นนักอธิษฐานนะคะเป็นแม่ที่เป็นนักอธิษฐานเพราะวาเจนะตอนนี้นะคะไม่ได้บอกกับเราโดยตรงว่าโลอิตและยูนิตอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่เชื่อว่าคนที่มีความเชื่อแล้วมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจจะไม่ขาดการอธิษฐานอย่างแน่นอนนะคะเราจะไม่ขาดการอธิษฐานอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อผู้เชื่อผู้เชื่อคนนั้นเนี่ยมีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้านะคะ พ่ออะไรถึงบอกว่าโลอีสและยูนิสเป็นแม่ที่เป็นนักอธิฐานก็เพราะว่าเธอทั้งสองคนนะคะได้ต่อสู้ในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอย่างมากในส่วนของโลอีสนะคะผู้เป็นแม่ของยูนิสเนี่ยเธอคงใจอธิฐานเผื่อลูกสาวของตัวเองเป็นอย่างมากในเรื่องของความเชื่อที่พระเจ้าได้ปกป้องออในในความเชื่อของเธอนะคะที่พระเจ้าจะปกป้องเธอเนื่องจากกลัวว่าเธอเนี่ยจะหลงออกไปจากทางของพระเจ้าได้ง่ายๆเพราะว่าลูกสาวเนี่ยได้แต่งงานกับ คนที่ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าในกิจการบทที่สิบหกข้อที่หนึ่งได้บอกว่าและนี่เนี่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาติยิวและเป็นสิทธิเพรซูแต่บิดาเป็นชาติกลีกนะคะบิดาพ่อของทิโมธีเป็นคนกลีกซึ่งคนกลีกเนี่ยเขาจะนับถือเทพเจ้าหรือว่านับถือพระต่างๆนะคะเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับเรานะคะสามีของยูนิสนะคะเป็นคนชาติกลีกโลอีสเองนะคะผู้เป็นแม่ต้อง มีความห่วงใยกับลูกในเรื่องนี้เป็นอย่างม า, น า, งมากนะคะและในส่วนของยูนิดนะคะยูนิดเป็นแม่ของทิโมธีเธอเธอก็คงจะห่วงทิโมธีเป็นอย่างมากเช่นกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ทิโมธีเป็นลูกผสมนะคะลูกครึ่งะคะลูกครึ่งและเป็นและเปาโลก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในกิจการบทที่16ข้อที่3นะคะได้บอกว่าเปาโลจะใคลพาทิโมธีไปด้วยกันจึงให้เข้าสุนัต เพราะเห็นแก่พวกยูที่อยู่ในเมืองนั้นเพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นคนกลีกนะคะการที่ทิโมธีเป็นมีแม่เป็นยูแล้วก็มีพ่อเป็นกลีกสำหรับคนยูแล้วเนี่ยนัว่าเป็นลูกครึ่งนะคะเหมือนชาวสมาเลียนะคะคือไม่ได้มีเลือดของยูแท้ 100% เซนะคะนอกจากยูนิสจะอี่หารเผื่อทิโมธีแล้วนะคะอีกคนที่ยูนิสจะให้ความของยและสนใจไม่พิเศษก็คือสามีของเธอเองนะคะ เธอคงจะหวังว่าสามีเนี่ยคงจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าในสักวันหนึ่งนะคะเขามีความเชื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะแม้ว่าสามีของเธอเนี่ยจะไม่ได้มากลับใจแต่เธอก็อธิษฐานเผื่อสามีและลูกของเธออยู่เสมอนะคะผลของคำอธิษฐานของผู้เป็นแม่ของทิโมธีนะคะส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับใช้ที่ดีเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะคะและยังมีชีวิตที่เป็นพระพรไปสู่ คริสตจักรแล้วก็พี่น้องคริสเตียนอีกด้วยนะคะในยากอบบทที่ห้าข้อสิบหบอกว่าคำไม่ไดิฐานของผู้ชอบนะัของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะคะการดิฐานเป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนทุกๆคนเราสามารถดิฐานกับพระเจ้าได้นะคะ แต่ทั้งนี้นะคะการดำเนินชีวิตก็ต้องสอดคล้องกับคำวิษณ์ของเราด้วยนะคะต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นคนที่มีความชอบธรรมนะคะและมีใจกระตือรือร้นที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าต้องอธิษฐานอย่างมีพลังนะคะอธิษฐานอย่างมีพลังและมีความหวังในพระเจ้านะคะและที่สำคัญคือต้องอธิษฐานอย่าง ส, ำำสม่าเสมอนะคะต้องอธิษฐานอย่าง ส, สม่าเสมอแล้วก็ การตั้งใจแน่วแน่ต่อพระเจ้าเป็นหลักการแรกนะคะในการที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีนะคะอันนี้สำคัญมากมีตัวอย่างหนึ่งนะคะของการอธิษฐานก็คือผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าเจม e s ฮัสซันเทเลอร์นะคะเขาเนี่ยเกิดในครอบครัวคริสเตียนค่ะพ่อแม่รักพระเจ้าคะพ่อแม่รักพระเจ้ามากขณะที่เขายังอยู่ในท้องของแม่นะคะพ่อแม่เนี่ยได้ฐานขอถวายเด็กคนนี้นะคะให้กับพระเจ้า จนสุดท้ายเขาได้คลอดออกมาแล้วเขาก็ได้เติบโตในทางของพระเจ้าเชื่อพระเจ้าและเขาก็ได้บังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่แล้วนะคะแต่ว่าพ่อแม่อธิหารให้กับเขาการบังเกิดใหม่คือเป็นตัวของเราเองกับพระเจ้าว่าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไหร่นะคะเขาได้บังเกิดใหม่และมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัว ะะมีประสบการณ์กับพงศ์จนในที่สุดเนี่ยเขาได้ถวายตัวของเขาเองนะคะรับใช้พระเจ้าและเป็นมิชชันนารีประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ก่อตั้งคณะมิชชันนะคะ China Inland Mission นะค ะ, mission, ะ, คะหรือว่าปัจจุบันก็คือ OMF นะคะชีวิตของเขาเนี่ยได้เป็นพระพรไปยังชาวจีนนับล้านๆคนนะคะที่เขาได้มีโอกาสไปประกาศให้กับ ผู้คนที่นั่นนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้าได้เกลื่นแบงตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็คือนางฮันนานะคะนางฮันนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการของออการอธิษฐานนะคะก็คือเขาอธิษฐานขอลูกจากพระเจ้าและสุดท้ายฮันนาก็ได้ทำํำในระหว่างนั้นเขาก็สัญญากับพระเจ้าว่าถ้าเขาได้ลูกเขาจะถวายลูกคนนี้ให้กับพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้านะคะสุดท้ายเขาได้ทําตามสัญญานั้นก็คือ เขาได้มอบซามมเอลให้กับพระเจ้านะคะให้เขาเติบโตในพระวิหารให้เขาได้ไปอยู่กับเอลีนะคะให้เขารับใช้พระเจ้าในพระวิหารและซามมเอลก็ได้เติบโตในพระวิหารและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นและถ้าเราอ่านในพระธรรม2ซาโมเอลนะคะเราจะรู้ว่าซามมเอลนะคะเป็นผู้เจิมกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนะคะนั่นก็คือกษัตริย์ซาอุลนะคะที่เป็นผู้เจิมกษัตริย์องค์แรกนะคะเบื้องหลังของชีวิตซามมเอลก็คือ แม่ของเขานะคะคที่อธิษฐานแล้วก็ซื่อสัตย์กับพระเจ้านะคะมีใครที่อธิษฐานมอบลูกของเราแบบนี้ต่อพระเจ้าบ้างคะมีใครที่อธิษฐานมอบลูกของเราให้กับพระเจ้าขอให้เราที่จะอวยพรลูกๆของเรานะคะเด็กๆทุกคนอธิษฐานเผื่อเขานะคะคขอให้เขาที่จะอยู่ในทางของพระองค์นะคะคำาอธิดฐานนะคะมีฤทธ มีฤทธิ์เดชมากพอที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งได้นะคะคำไม่ถานเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะประการที่3นะคะประการสุดท้ายโลอีสและยูนิสนะคะเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกแม้ว่าโลอีสนะคะจะมีลูกเขยเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะแต่เธอเนี่ยไม่เคยถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยยินดีมากสักเท่าไหร่กับการที่ลูกเขยเป็นชาวต่างชาติแต่ ความเชื่อของเธอที่มีต่อพระเจ้านะคะเธอยังสัาแดงชีวิตของการเป็นแม่ยายที่ดีต่อลูกเขยนะคะส่วนยูนิดคะเธอเป็นหญิงชาวยูวที่แต่งงานกับคนต่างชาติต่างศาสนาและเมื่อเธอรับเชื่อแล้วอาจจะทำให้ เกิดความขัดแย้งในครอบครัวขึ้นได้ซึ่งการใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะคนนึงเป็นคริสต์หรือคนนึงเป็นอีกหนึ่งาศาสนามันก็ยากนะคะในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกันคะ่ะยูนิสมีสามีเป็นชาวต่างชาติในการใช้ชีวิตของเขาก็ลำบากนะคะแต่ว่าเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้านะคะและเห็น ชัดเจนว่าชีวิตของเธอเป็นชีวิตที่เป็นการดําเนินชีวิตที่ดีมาตลอดเลยนะคะเราเลี้ยงลูกของเขาให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้นะคะอาจารย์เปาโลนะคะได้พูดถึงความเชื่อของยูนิสและแม่ของเธอว่าเป็นความเชื่อที่จริงใจนะคะเป็นความเชื่อที่ไม่หลอกลวงมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสวมใส่ความเชื่อเท่านั้นแต่มันเป็นความเชื่อแท้นะคะเป็นความเชื่อ แท้ที่มาจากพระเจ้าหลักฐานที่ยืนยันได้ดีที่สุดในความเชื่อก็คือเห็นจากแนวทางในการดําเนินชีวิตของเขาเองนะคะแม้ว่ายูนิสไม่สามารถไม่สามารถนำสามีมาเชื่อพระเจ้าได้แต่นางก็แต่ตัวของยูนิดเองคงจะภูมิใจนะคะเพราะว่าทิโมธีเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลอย่างมากมายเป็นพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ศรัตธาต่อพระเจ้าสําหรับยูนิดนะคะสนามรบที่น่ากลัวที่สุดของ คงจะเป็นที่บ้านแต่เธอก็เป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ดีเป็นแม่ที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกผ่านทางการกระทำนะคะในชีวิตของเราเช่นเดียวกั น, นะคะ่ะให้เราดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจแน่วแน่ในความเชื่อใช่ไอย่าเพียงแต่สวมบทบาทแต่ให้แสดงออกถึงความเชื่อในการดําเนินชีวิตในแต่ละวั น, นะคะถ้าพ่อแม่ทําตัวเสแสร้ง ลูกก็จะเสแสร้งด้วยนะคะการเป็นแบบอย่างอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าโดยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะบางคนอาจทําผิดพลาด ท, ทำทำผิดทําถูกนะคะแต่เคล็ดลับแห่งความสําเร็จนั่นก็คือการวางใจในพระเจ้าและเคล็ดลับแห่งความสําเร็จของยูนิตก็คือการที่เขาถ่ายทอดความเชื่ อ, อให้แก่ลูกก็คือดําเนินชีวิตโดยแสดงออกถึงความเชื่อที่แท้จริงของเขาเองนะคะ ข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานเรื่องของข้าพเจ้าเองนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าอยู่กับยายนะคะเพราะว่าแม่ได้เสียไปตั้งแต่ตอนข้าพเจ้ายังเด็กนะคะข้าพเจ้าได้อยู่กับยายแล้วยายก็เป็นแบบอย่างให้กับข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆก็คือยายไปโบสถ์ทุกๆอาทิตย์นะคะแล้วก็มีนาก็คือเป็นลูกของยายที่เป็นพี่น้องกับแม่นะคะก็ได้รับใช้พระเจ้าที่โบสถ์ นาเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่โบสนะคะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยข้าพเจ้าไม่ค่อยอยากจะไปโบสมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากฟังเทศนาเพราะว่าฟังเทศนาแล้วมันน่าเบื่อมันไม่อยากคือมันจึงนอนหลับตลอดอะไรอย่างนี้นะคะไม่ชอบเลยก็เลยที่จะหาหาทางที่จะไม่ไปโบสตลอดเลยนะคะแต่ที่โบสถข้าพเจ้านะคะเป็นโบสเล็กๆนะคะ คือเป็นโบสถชนบทเนาะไม่ไม่ค่อยมีคนมากในแต่ละทิศก็จะมานมัส ก, การประมาณร100อยกว่าคนนะคะจะมีอยู่สองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือจะเป็นการนมัส ก, การกับเด็กละวีซึ่งมาทานข้าวมาอะไรแล้วก็กลับบ้านแล้วอีอีรอบนึงก็คือไปรอบนมัส ก, การปกติตอนประมาณ10บโมงนะคะข้พาพเจ้าก็จะมาช่วงเช้ามาตลอดเลยมาแบบสม่ําเสมอมากแต่ว่าตอน10บโมงเนี่ยจะไม่มาเพราะว่าไม่อยากฟังเทศนามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะข้าพเจ้า หนีหนีไปแบบหนีไปเที่ยวเลยอะคะ่ะแบบตั้งใจไปเที่ยวคือไม่อยากจะอยู่เลยนะคะคือพยายามหลบทุกๆอาทิตย์แล้วมีครั้งหนึ่งที่หลบไปเที่ยวแล้วก็หายไปเลยนะคะพอกลับมาตอนเย็นนะคะคือรู้สึกกลัวเพราะว่าเราทําผิดเวลาเราทําผิดเราจะแบบตื่นเต้นแล้วก็จะแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะพอมาถึงก็น้านะคะกถ็ถือถือไม้นะคะรออยู่ที่หน้าบ้านคือทุกคนคงเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ถ้าแบบ หรือว่าไม่มีไม่รู้นะคะเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่แถวแถวเชียงรายเนาะจะเป็นแบบว่าชนบทนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็จะแบบกล้ามายมอยังไงคะ่ะ mm hmm. ก็จะแบบว่ายืนรอยอยู่หน้าบ้านแล้วเตรียมที่จะแบบไม่ถามเหตุผลอะไรใดๆแล้วก็ฟาดก่อนเลยนะคะคือแล้วก็ถามเหตุผลว่าคือฟาดก่อนแล้วค่อยถามว่าไปไหนมาทําอะไรทําไมถึงถามต่างๆนะข้าพเจ้ า, าจบอกว่าคือไปเที่ยวแล้วก็ถามว่าทําไมถึงไม่มาโบสถเนี่ยคือเขาพยายามปลูกฝังเราตั้งแต่เด็ก แต่เราพยายามจะไม่รับคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากสเท่าไหร่นะคะก็หลังจากนั้นนะคะข้าพาเจ้าได้บทเรียนแล้วข้าพาเจ้าก็ไม่เคยที่จะไม่เคยหนีบทอีกเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะขาดโบทอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะจนข้าพาเจ้าเรียนม .5 ม .6 นะคะก็มีเขาเรียก ว, ว่าป้าที่บ้านนะคะก็เห็นว่าข้าพาเจ้าเนี่ย สอนเด็กล่าวีอยู่กับเด็กล่วีแล้วก็รับใช้พระเจ้าที่โบสก็เลยติดเหมือนกับว่าพูดให้ข้าพาเจ้าคิดว่าอยากจะไปรับใช้พระเจ้าไหมสุดท้ายแล้วข้าพาเจ้าก็ตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้มาเรียนที่ภะกิรรมแมกกิวลีแล้วก็จบแล้วก็ออกมาเป็นผู้นรับใช้พระเจ้าและจนถึงตอนนี้ข้าพาเจ้าได้มีโอกาสเทศนาและอยากจะบอกเลยนะคะว่าอย่าหลับตอนเทศนานะคะเพราะว่าการเตรียมเทศนากันหนึ่งเนี่ย คือมันยากมา ก, มากนะคะการที่จะได้เทศนาครั้งหนึ่งเนี่ยคือต้องต้อ ง, ต, องต้องทุ่มเทต้องทําอะไรหลายๆอย่างคือเหมือนเราต้องจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระเจ้าอย่างเดียวเลยนะคะก็ต่อไปนี้นะคะเวลาฟังเทศนาตั้งใจฟังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าใครเทศนาเพราะว่าเรามาเป็นคนเทศเองเราก็อยากจะได้ให้ คนที่ได้ฟังเราเนี่ยได้รับพระพรอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็อยากจะหน้นใจนะคะให้เราที่จะส่งต่อความเชื่อให้กับลูกจนสุดท้ายแล้วสิ่งที่น้าที่ยายเป็นแบบอย่างให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กก็ส่งผลมาถึงตอนนี้ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะอันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กนะคะ ชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะคะมีค่ามากกว่าคําสอนที่ดีนะคะชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะขอให้สตรีหรือว่าทุกๆคนนะคะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกที่ดีนะคะแล้วก็ให้พ่อเป็นแม่ที่ส่งต่อความเชื่อให้กับลูกเป็นแม่ที่เป็นนักอธิษฐานเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่าง ท, uhm. ที่ด uh, ีให้กับลูกนะคะในขณะเดียวกัน คนเป็นลูกนะคะก็ควรที่จะเป็นลูกที่ดีให้กับแม่และก็พ่อครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะเราก็ยังมีพระเจ้าที่เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเป็นหนึ่งในครอบครัวคือให้พรงเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วทุกอย่างของเรานะคะจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นนะคะสุดท้ายนี้นะคะพาะเจ้าอยากจะ จบคำเทศนาด้วยคำขวัญวันแม่นะคะปี2017นี้นะคะที่พระราชินีนะคะได้ได้ให้ไว้นะคะบอกว่าสอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกล่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้เข้มแข็งอันนี้ก็เป็นคำขวัญในปี2017นี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรให้กับ พี่น้องทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะแม่รวมถึงคนที่จะเป็นแม่ในอนาคตด้วยนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ